อ้าวถามปัญหคือคือวันนี้ที่ไปที่ลุมพินีใช่ไหมั้ยคะแล้วก็หนูก็เห็นว่ามีคณะศรัท ธ, ธาหลายคณะค่ะเราแล้วก็มีเสียงที่เข้ามาแทรกเป็นระยะระยะใช่ไหมคะใ่คะทีนี้หนูก็เลยอยากจะทราบว่าวิธีการพิจารณาของเราอะคะอ่ะเวลาที่เราได้ยินที่ศรัท ธ, ธาจากคณะอื่นๆแล้วเราก็กําลัง ที่จะสวดด้วยอะค่ะไม่ไมทราบว่าเราจะต้องพิจารณาอย่างไงเพื่อที่จะไม่หลุดศรัทธาตรงนี้ก็คือว่าเวลาตั้งใจจะสวดก็ต้องก็ต้องสมาธิสติต้องตั้งมันอย่าให้หลงลืมถึงแม้จะมีเสียงอะไรแทรกเข้ามากยกตัวอย่างไม่ต้องอะไรที่ปรินิพานเนี่ย <c oughs> ซึ่งมีคนกระทาไม่เหมาะสมต่อพระศาสดาอามาเชื่อว่าหลายท่านกิเลสนังเกิด ที่มาทําไม่เหมาะสมเลยเช่น อ, อยู่ในฐานะเป็นพระก็ไม่เคารพพระาศาสดาใส่หมวกนีนะ่ใส่ถุงเท้าซึ่งไม่เหมาะเล ย, ยนะแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงศรีรษะแล้วก็ยื่นมือข้ามพระเศียรศของพระาศาสดาโยมที่เป็นโยมผู้หญิงที่เป็นอุบาสิ ก, กาทั้งหลายก็ไปขูดจมูกที่ว่าพระนาสิษฐ์ของพระาศาสดา แล้วก็อะไรไปแปะทั่วปิดหูปิดตาปิดอะไรอะไรต่างๆเราจะเห็นว่ากระทําการไม่บังควรต่ออุเทสิกะเจดีของภาษาสดาเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นภาษาสดานั่นเป็นภาษาสดาโดยฐานะแห่งพระธรรมนะแต่เราก็ต้องวางใจเป็นว่าเป็นอย่างนี้นี่แหละเพราะข้อมูลไม่แข็งแรงก็เลยปฏิบัติต่อพระชิฐเจ้าไม่เป็น เมืปัดบัติมันเป็นเขาก็ใส่รองเท้าเข้าไปบ้างเหยียบย่ําบ้างมีวาจาทุจริตบ้างกายทุจริตบ้างจิตใจก็เป็นมโนโทุจริตไปก็ไปขออะไรกันสาะภาพแหย่ยุ่นวายไปหมดเหมือนถ้ไปบ้านของนาถาพินธิการเศรษฐีก็ไปโก้นข้อยล่ำข้อยรวยกันว่ากันไปเราก็จะเห็นหน่าสลดใจนะแต่กลุ่มที่เราศึกษามีข้อมูลชัดเจนแล้วเราก็มองเห็นก็ได้ปรงรรมาสังเวค่ะวันนี้แหละ ในอนาคตเบื้องหน้าในชาวพุทธที่อ่อนแอทางด้านปัญญาตีบตันทางด้านปัญญาเขาก็ปฏิบัติต่อพระศาสดาไม่ถูกที่สุดจริงๆก็ไปประทศสร้ายต่อพระศาสดากรรมของเขา ก, ก็ทำให้เขาต้องเจ็บปวดในอนาคตก็ควรตั้งกรุณาในใจกับเขานะว่าถ้าเขารู้เขาจะไม่ทำนะไม่มีใครอยากจะเอามีดฟันหัวตัวเองในอนาคตนะไม่มีใครอยากจะลูกศรเสียบอกตัวเองในอนาคต แต่เพราะโทษของการไม่รู้ทั้งนั้นเลยโยมเนี่ยพระศ า, าสดาเห็นบุคคลเหล่านี้จึงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจึงปรารถนาที่จะ้นสัตว์หรือสัตว์อเอบ้าวเอาไมหน่ะเอาไม่หน่อยเอาไมหน่อ ย, อาอยการเจ้าค่ะที่ลุมพินีนะคะในขณะที่เรากำลังสวดอยู่อะคะ่ะโยมได้ยินอีกคณะหนึ่งนะคะ ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์คราวนี้มันทำให้จิตของโยมอ่ะเกิดความรู้สึกว่าเหมาะสมหรือเปล่านี่คือโทษของการไม่รู้หรือเปล่าหรือโยมไม่โยมไม่เข้าใจไปเองโยมไม่เข้าใจว่าถูกหรือผิดที่เขาทำกันแบบนั้นนะคะเราจะบคือคือคือตรงนี้จริงๆอาการที่ไม่รู้จักภาษาสดานี่นเลย เขาคิดว่าคงจะไปร้องเพลงวันเกิดให้กับศาสตร า, าซึ่งมันคนละเรื่องเลยดงนั้นตรงนีตง้ตรงนี้ถ้าเรามองมันจะเห็นหลายรูปแบบตรงนี้แหละเวลาเรามาเนี่ยให้มาพิจารณาว่าพระศา ส, าสดาเคยยกตัวอย่างว่าตอนที่อดีตชาติของพระเจ้าพิมพิสารทำบุญเนเะจริญกุศลใหญ่โตมากกลุ่มหนึ่งไปสุขติอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเปรตเนี่ย นี้ก็เหมือนกันไม่ต่างกันที่ไหนมีการเจริญกุศลที่ไหนที่นั่นก็มีการทําบาปนะที่นั้นจะมีเป็นเรื่องปกติสําหรับคนเขา่าคนมืดบอดก็คือจะทําบาปต่อหน้าพระศ า, าสดาคนมีปัญญาทั้งหลายก็มาเจริญกุศลเขาก็ขับไปกันขอให้เราเป็นกลุ่มในการที่มีปัญญามาเจริญกุศลเห็นสิ่งเหล่านี้จะได้เกิดสะดุ้งสะเทือนว่าต้องตั้งมนัสิการว่าเรายังไม่พ้น อัฏถะต้องอ่านให้ออกเข้าใจใช่ั้มเข้าไปยมภัทลีต้องอ่านอัฏถายออกว่าเขาที่เป็นอย่างนั้นเขาบอกอะไรกับเราเขาบอกว่านี่นะท่านทั้งหลายสมัยก่อนเราก็เป็นคนที่ฉลาดในคาสอนมากในยุก่อนในพบก่อน เาเป็นคนที่ฉลาดในคําสอนปฏิบัติต่อภาษาสดาได้อย่างถูกต้องแต่พราพบชาติเพราะการไม่พ้นจากการเกิดเพราะกิเลสยังไม่ถูกประหารมาพบนี้มาปัจจุบันชาตินี้ข้าพเจ้าจึงกระทําผิดต่อภาษาสดาแต่ท่านก็อย่าประมาทนะเพราะปัจจุบันพบนี้ท่านก็ศึกษาท่านจึงไม่กล้าทําเหมือนเราแต่ท่านก็ยังละกิเลสไม่ได้ท่านอาจจะแย่กว่าเราก็ได้เขาบอกอัตถะหลักตอ น, นี้คิดให้ออกนะ คิดให้ออกนั่นเขาเตือนเราเ่เยินบอ น, น, นค่ะพระอาจารย์กับนัมาศการพระอาจารย์ค่ะหนูชอบสงสัยอะไรที่คื อ, อ, อที่ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าประสูติมาแล้วเดินได้เจ็ดเก้าอะค่ะแล้วทีนี้หลังจากเดินเจดเก้าแล้วเป็นยังไงต่อคะแบบว่าเป็นเด็กต่อหรือว่าโตไปเลยอะไรเงี้ย อันนี้หนูไม่เคยทราบที่ไหนไม่ทราบมีบอกไว้ไหมอ่ะเออพอเดินอามาจะบรรยายอยู่แล้วพอเ อ, อินมันหมดเวลานอคะหนูไม่เคยทราบที่ไหนมาก่อนก็เลยอยากถาม<ก>พระอาจารย์ก็คือจริงๆริท่านในชั้นก็คําสอนเนี่ยนะที่ว่าเดินเนะี่ยคนทั้งหลายเห็นประดุดดังกูมาอายุสิบหกขวบแล้วก็ลอยไปในอากาศเนี่ยเห็นในลักษณะอย่างนั้น ที่ว่ามีดอกบัวรับก็คือเป็นเด็กนั่นเองแต่ก่อต่อตอนที่ว่าออกมาครั้งแรกว่าองค์มาประกาศอะไรประกาศกรณีงการที่จะมเป็นพระพุทธเจ้าคืออย่างนี้นะที่เล่าไปนะน่าจะชัดเจนตอนที่ว่าในวันที่พระบรมศาสดาเนี่ยที่จริงมื่เล่าแค่อธิบายแค่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะไม่ไปฏิไปต่อเรื่องเนะื้อมาแล้วไม่อยากจะพูดยาวไงถ้าพูดยาวต้องชักเรื่องมาค่อนข้างเยอะเลยนะ แต่ตรงนี้ก็คือยกตัวอย่างว่าในวันที่พระาศาสดาประสูดเนี่ยออกจากพระขันต้องรู้ตั้งแต่นู่นเนี่ยการมาถือปฏิสนธิในคันของพระมารดาเนี่ยพระาศาสดาตรวจก่อนใช่ไหมว่าใครจะเป็นแม่อย่างเงี้ยต้องดูดิคนที่สร้างบา ร, รมีมาจนเต็มบริบูรณ์เบีเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเราจะได้ฐานะนั้นก็ได้ถ้าเราทําบา ร, รมีให้เต็มอย่างท่านานี่นแต่ถ้าเราไม่สร้างบา ร, รมีเลยเพราะว่ามาดูแค่ผลที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยจบเลยนะเราไม่รู้เหตุ ถ้าทุกคนอยากจะทําได้อย่างท่านเนี่ยก็สร้างเหตุให้เท่าท่า น, นการทำตรงนี้จึงเป็นเรื่องปกติเขาเรียกธรรมดาของบริษัทธรรมดาของบริษัทเนี่ยการอยู่ในครานต้องนั่งขัดสมาธิธรรมดาของบริษัทนั้นเน่ยเมื่ออยู่ในครานแล้วแม่จะต้องมองเห็นแม่ก็เกิดปราโมดปีติประสิทิความสุขและธรรมดาของบริษัทนั้นเน่ยออกจากครานนั้นน่ยผุดผ่องนี่นะไม่แปดเปื้อนด้วยมลทินทั้งหลาย ธรรมดาของบพิษัต์นั้นจะมีฐานน้ำร้องน้าเย็นธรรมดาของโพิสัตว์นั้นก็คือเท้ามหาพรมซึ่งเป็นพระละหันมาจากสุทาวาใช้ตะข่ายทองคํารองรับนี่เป็นธรรมดาในรายละเอียดก็ต้องดูอย่าเหตุผลแต่ถ้าเล่าแค่นี้นะอย่างที่ในพุทธวัระที่เรามาศึกษากันเนี้ยเอาอะไรค้านกันตายเลยแต่ถ้าเล่าเรื่องกรรมก่อนนะ ว่าพระ อ, องค์ทําอะไรมาทานยังไงถึงได้ฐานะนี้ศีลยังไงจึงได้ฐานะนี้เนคขมาบารมียังไงจึงได้ฐานะนี้ปัญญาบรรเมยังไงเนะ่ถ้าพูดถึงในเรื่องของลัคนะสูตรนี่นะชัดเลยที่ได้ฐานะนี้เพราะอะไรอะไ ร, ะไรในรายละเอียดก็เนี่ยมันอยู่ที่ข้อมูลจริงๆใช่ไหมถ้าศึกษาข้อมูลเสร็ก็ไม่ไม่กังวลในเรื่องตรงนี้เลยอาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนนะเพราะเพราะสรุปประเด็นเวลาสมควรเกเวลาอย่งอางอ้าว เอาไหว้พระกันหน